เพิ่มรกรรมฐานที่แรกให้ฟังพระกรรมฐานท่านเทตกูวาอาจารยกรรมฐานท่านเทิดทำอยู่กับใจเนี่ยอันไหให้กำหนดใจว่าให้ดีเพราะทำอยู่กับใจน่ะเราก็ยังไม่ไม่อยากจะเชื่อ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 จิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะฟังธรรมอยู่ที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านโน้นมันไม่อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้ส่งจะส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทำความรู้ว่าทำตัวเองทําจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากการะแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งออกไปโน้นหาท่านเทศ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 แล้วก็เข้าที่ภาวนาว่าเป็นความสงบขึ้นมาอันนีคือยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าทําอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจทำํำก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทําความรู้สึกไว้จำเฉพาะตัวเท่านายไม่จําเป็นจะต้องส่งผิดออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศเป็นต้น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 คือทำํทำสัาผัดเป็นขณนะขณนะตามกระแสะเสียงทันทีเทิเดเป็นบกเป็นมาทสัมผัสต่อเนื่องไปเรื่อยๆตีก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมพนั้นการทําธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์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 ที่ขุน ม, มัวไปด้วยที่เหลือาสมะหรืความวม่าวุ่นทั้งหลายผ่านจึงสอนให้ธรรมะอีกใจในโอวาท่ท่านรวมไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าสัพพะปัสสะอาการะนังการแม้ทำความชั้วทั้งหลายนั่นแหลประกรนันนกูจะสู้กระซึ่มปธายังกุศนให้ถึงพร้อมประกันหนึง่ง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 ครุโพธโมสังโขไม่ทราบจะกระถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแหงความรุ่งตัวเองที่แสดงความค้ำบูมอยู่เต็มที่แล้วก็ขันใดก็ขันนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้อืมเป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้เีตผลใงการปฏิบัติกําจัด